พระธรรมเทศนาแผ่นที่74ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุตสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14มกราคม2558 ม, มีชื่อเรื่องว่าหมอ ง, งูตายพระงูโอ้ oh.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 เากดล่นไปอยู่ที่อื่นขนาดนกเป็ดที่มันอยู่ในใชัยบีลงชัยบีเรี ย, ยที่เขาว่านจะเท็จริงขนาดไหนเราก็ไม่ทราบมันก็หลั่งไหลเข้ามาอยู่เมืองไทยอยู่ตามหนองน้าสะน้ ำ, นำเต็มไปหมดหน้านี่วอไะไรเพราะมันหนีหนาวขนาดนกเป็ดมันยัง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 ก่าจะไปหาสมองอันนี้มันกัดที่คอเนะี่ยพิษมันกูวิ่งขึ้นไปหาหัววิ่งไปหัวหาหัวใจพางพรามคนนั้นก็เลยซักงักกัง ก, กเลยตายฮะพอตายขึ้นมาคนทั้งหลายก็มุงมาดูมาดูเอ้าทําไมจึงไปจับงูโยนมาใส่พรามคนทั้งหลายาก็พูดกันเลอเด็กคนนั้นก็บอกว่าเนี้ยพรามคนนี้เนะี่ย เด็กทั้งหลายเล่นด้วยกันก็บอกว่าเนี่ยมีนกสัลิกาน่ะลูกนกสาลิกาอยู่ข้างบนอยู่ง่าคบกิ่งไม้นะมันอยู่นั่นนะจะขึ้นไปเอาไม่ใครจะขึ้นไปเอาเนะผมก็อยากจะได้ลูกนกเลยขึ้นไปไมันขึ้นไปที่ไหนได้มันไม่ใช่ลูกนกมันเป็นงูผมก็ไม่รู้ว่างูอะไรแล้วพอจับคอมแล้วกูเวียงเลยแล้วเพราะความตกใจ